เดี๋ยวจะนิมนต์อาจารย์มสมใจพูทธมะแล้วก็มาวัดป่าสุขโตกันวันนี้ก็ข้าไมาลุ่มนังเออขายประกันชีวิตสร้างความอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยให้กับคนที่เห็นประโยชน์ การซื้อประกันแลมีผลตอบแทนแต่เราก็มาฝึกสติกันเพื่อให้มันได้หลัประกันเลยว่าปิดประตูอบายประตูนรกนี่ปิดไปเลยเ<ม>หลโน้นนะสวรรค์นิพพาน<ม>ชีวิตมีความสุขความดีความงา ม, มความฉลาดเห็นความจริง<ม>ที่เราสา ม, มารถที่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไปถึง ความหมายสูงสุดของการมีชีวิตของพวกเรากันมันก็มีคาสอนอยู่ในพระจดหนา น, นี่แหละคนะวการชำระจิตจงเข้าเข้าถึงสภ า, าวะของเนื้อเกิดหน้าแก่เนื้อเจ็บนื้อตายเนื้อทุกนะแลักจวทำดีชำระจิตครนี้อะไรละ่ะเรีเป็นรูปแบบเป็นวิธีการเป็นหลักปฏิบัติในการที่จะ ขูเกาหรือว่าชำระล้งลางมันถึงเครื่องเศร้หมองที่มันนอนเนื่องอยู่ในชีวิตของเราในจิตในใจของเราจะต้องโน่นอะสติปัฏฐาน4ี่สติปัฏฐานเป็นภาคปฏิบัติการเป็นศาสนธรรมเป็นเรื่องที่ต้องทำํำต้องเข้าถึงขนาดหนึ่งขนาดนึงเป็นปัจจุบันขนาเป็นปัจจุบันขนาดไปเรื่อยๆโดยมี กุจโลบายมีกลไกมีอุบายลัดๆให้กับจิตของเราได้ได้เดินมันเป็นประตูความรู้สึกตัวเบื้องต้นเนี่ยเป็นโพธิที่เป็นพุทธทิภาวะเป็นสภาวะของคนที่เดินทางถูกทิศถูกทางตรงทิศตรงทางก้าวขึ้นไปอย่างปลอดภัย ตีวก้าวขึ้นไปก็คือเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับเป็นชั้นยกจิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเบาปลดโปร่งโล่งร้วฉลาดเป็นไหวปิปฏิพันธ์ศาสนาสถานตอนนี้มาวัดป่าสุขโตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนื้อที่ห้าร้อยกว่าแร 562ไร่มันก็มีป่าที่ปลูกจากฝีไม้ลมือของคนที่รักธรรมชาตินักอนุรักษ์ต่างๆโดยการนำของหลวงพ่อเขียนสุวรโนมันก็มีปา่าพอที่จะเป็นความลมเย็นแล้วก็อาศัยออกซิเ็นที่หนาแน่นนะโอโซน จากยอดเขานี้จากป่า น, นี้บ้างจากแถวเขาใหญ่บ้างจากอเมซอนบ้างในโลกใบนี้มันก็มีสาสนสถานสูงสูงสี่้อยเมตรจากระดับน้ำทะเลให้เราได้รู้สึกผ่อนคลาย่างจิตวิญญาณสัสนสถานสถานที่มันก็วิบากอยู่วัดเป่าจัขโตเนี่ยเราเข้ามาแล้วก็สำรวมกายวาจายใจ เป็นลักษณะของกายวิเวกจิตพอมันสัมผัสกับกายที่มันวิเวกตาไม่ดูหูไม่ได้ฟังสํารวม น, นะยินเสีสังวอนเมืเกิดาการจิตแต่วิเวกขึ้นมารู้สึกสงบดีเวลาอยู่ที่สงบจิตก็สงบกายก็สงบจิตก็สงบเมจิตมันสงบสงบแบบ ตือนในความสงบรู้ความสงบ ก, กลายเป็นอุปทิวเวกอุปธิวิเวกเกิดความฉลาย่ยขึ้นมาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเราก็เลยมาใสอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทําสิ่งเดียวกันเป้าหมายเดียวกันโดยใสยสถานที่สปายยะในวัดป่าจุกโ ต, โตแบบนี้แหละศาสนะ วัตถุมันก็มีวัตถุที่เราบูชากราบไหว้กันอยู่เช่นเหลืองอะลามเวล า, าเราทําวัดหันหน้าไปทางพระพุทูปหลายรูปแบบหลายปางสะท้อนแสงไฟเหลืองเข้าตาทีเดียวมันก็เป็นสัจธวัตถุเป็นวัตถุมงคลดูแล้วเกิดความตั้งมั่นขึ้นไหม นงงง า, างร้าตรงทางาาส่ามีความสงบเราดูแลเราก็น้อมก็มาใส่ตัวเป็นนิมิตหมายศาสนวัตถุนเป็นนิมิตให้เราแต่เระลรึกนึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสองพ่าปีมันก็ไกลเหลือเกินที่จิตอินญาของเราจะมุดไปอดีตแล้วก็ไปเห็นไปสัมผัสนอกจากใจจินนาการเอา ลักษณะของคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้จำนวนคาตะเนรด้นเดาเป็นความเชื่อเราชาพุทธเจ้่เององสมเด็จสัมมาเจ้าเป็นตัวแทนขณะนี้ก็คือพุทธรูปสามารถเดียกล่บไปได้อย่างสน็จใจศาสนบพิธีเราก็ได้ทำวัดโสดมอนกันมีพิธีรีตอง มากมายหรือเกินสนใหญ่ก็ได้มาจากพาณ์เวลาแต่งงานเวลาเผาศพเวลาออกลูกการแต่เกิดจนตายเนี่ยมันเป็นศาสนาพิธีต้องรับฝันกันต้องเรียกฝันกั น, ต, นต้กนจุกกลเปียผมโป๊เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วมีกันน้อยๆอยู่แถวภาคกลางเยอะเป็นศาสนาศาสนาก็คือตัวเรา เกี่ยวข้องกันไปผู้รู้ผู้เกิดก่อนก็บอกกับคนที่ไม่รู้คนที่เกิดทีหลังอนุชนผู้ปักไฝในความดีความงามก็ยึดก็ถือกัอนเป็นเรื่องของประเพณียมวัฒนธรรมประเพณีจารีตต่างๆศา ส, สนาบุคคลเมื่อเรามาวัดปลาลามแล้วก็เจอศาสนาบุคคล วัดลารานเป็นสถานที่ที่ปูจนียบุคคลอาศัยอยู่พระใจดีใจงามเป็นผู้ที่ปรารถนาดีมีเมตตาเป็นผู้ที่รู้โลกว้างที่รู้โลกว้างเพราะว่าใครมีปัญหาอะไรก็มาเล่าให้พระฟังพระเคยเห็นเครผ่านมา การมีครอบครัววิถีชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาต่างๆการท่องโลกกว้างวิถีพระก็ก็มีฤทธิ์มีเดชเดี๋ยวไปโผล่ตรงนั้นเดี๋ยวไปโผลตรงนี้ญาติโยมนิมนเ่ารถมารับบ้างนั่งกลางเครื่องบินบ้างสะดวกทีเดียวเป็นชีวิตที่มันอิสระมากเพระนั้นสญญาวนบุคคลเข้าวัดเข้าวาก็าได้ฟังแต่สิ่งที่ดีที่งามจเจริญหูจเจริญตา ไม่ได้พาไปทางที่เสื่อมอันนี้เป็นศาสนาบุคคลเสริญศาสนธรรมคือเรื่องที่เราต้องทำํำทำอะไรละ่ะมาวัดมาวาอยู่อย่างสูงจะทํางานอย่างต่ําแล้วอยู่อย่างต่ําจะทํางานอย่างสูงธรรมาวัดก็เรียกว่าอยู่อย่างต่ํากินน้อยนอนน้อยอยู่อย่างต่ําชีวิตเรียบง่ายแต่กระพบะกับพัความผาสุกภายในจิตใจของเรา เป็นสุขเกษมสารสุกที่เกิดจากความสงบหรือว่าจิตของเรามันไม่แสใสมันไม่ซุกซนมันไม่สแสวงหาหลายเรื่องมันก็เบื่อาตาตาทางหูเบื่อแล้วก็หันมาดูข้างในเห็นข้างในเห็นรูปธรรมนามธรรมศาสนธรรมก็ต้องเห็นเรื่องของตัวเราเห็นทุกเหตุแห่งทุก ก็เอาลวงออกจากความทุกข์มันเห็นที่ตัวเรานั้นเราไม่หันตาเนื้อออกไปมองข้างนอกแล้วก็ลับกลับมามองข้างในสัมผัสกระทบรู้อนธะิฟึกที่หัดกันเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเดินโยกมรู้สึกเป็นการเปิดตาในตาสติตาปัญญาให้มันสว่างแจ้งจ้าเห็นโลกคือตัวเราโลกคือกองสังขารจนกระทั่งไม่ยึดไม่ถือเป็นตัวเป็นตน เห็นกายสภาวะกายเห็นเวนาสภาวเวนาเห็นจิตสภาวจิตเห็นธรรมสภาวะธรรมปรลงเมือกระทำกรรมฐานาก็ทำให้เราเห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติถึงกำลังแปลเปลี่ยนไปทุกๆขณะเป็นปัจจุบันขณนะตลอดเวลาเวลาลยนะเราก็เลือกเป็นมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํากันไปมาวัดป่าสโกโตก็ต้องเคลื่อนเมือสิบชั่งวันต้องเดินจงกรม จะไปทําอย่างอื่นก็ไม่เหมาะที่จ่ า, จายคุณแม่สิริก็ต้องหนอไปของเขาก็ต้องหนาะเนานนาไปทําอย่างอื่นก็ไม่เหมาะไปที่สวนโมกก็ต้องไปดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอาณาปานสติไปทําอย่างอื่นก็ไม่เหมาะไปโน่นธรรมกาย กระดองไปสัมมาหลังสัมมาหลังกําหนดให้จิตเราดึงลงไปฐานที่7เหนือสะดือสองนิ้วกําหนดลูกแก้วนิมิตลงไปสร้างนิมิตตาดูลูกแก้วแล้วก็จํำมาไว้เสร็จแล้วก็หายก็ไปทางช่องจมูกหายใจเข้ากับกลิ่นลงไปตามลมลงไปไปหยุด ฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองเนื้ อ, 2, อปรปหยดหยุดยแล้วหายใจออกไว้ทำจนติดจนเป็นนิสัยมันติดเลยหลับตา ล, ลูกแก้วแต่ว่ามาที่นี่ก็ต้องเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะหลับตาเห็นลูกแก้วก็อาจจะผิดที่ผิดทางไปนิดนึงจะมานั่งดูลมาหายใจก็อาจจะผิดที่ผิดทางไปนิด ก็ลองทําอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเอาไว้ท่านชี้ท่านนํามาไว้ส่วนจะเป็นทางที่รัดสั้นจริงๆอาจจะเป็นหนทางเอกหนทางเดียวที่เป็นทางรัดสั้นด้วยทําให้เรารู้รู้ว่าเห็นเข้าใจตัวเองเราท้ายสุดคือได้คําตอบของชีวิ ต, ตอย่างนี้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราดูอาจารย์สมใจของเราพูด สามารสู่ฟังให้ผู้ใหม่ได้เห็นในแนวคิดมุมมองแล้วก็จะได้เห็นเป้าหมายชัดๆถ้ามีปืนจะได้ยิงตรงเป้าพอดียิงยิงนัดเดียวได้นกสองตัวเลยดูกายกเห็นจิตยังไงนะมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจใส่ใ จ, ใจแล้วก็ลองฝึกหัดหัดที่จะปฏิบัติทาเป็ น, ไ ม, ป น, ไ, มปนไม่เป็นไม่เป็นเลย บางกลุ่มก็มาสาวันบางกลุ่มก็มาเจวันบางกลุ่มก็มาหลายวันจะกี่วันก็ช่างเถอะแต่เป็นว่าลองฝึกหัดดูทำ ม, มาสมควรแก่การปฏิบัติแล้วก็จะควรได้รู้ได้เห็นตามสมควรแก่การปฏิบัติเหมือนกันถ้าไปวัดอื่นนะเช่นทางหนองคายแถบชายแดนของอีสานะหรือว่าไทย พิสารกับทางฝั่งลาวหรือว่าทางฝั่งพมา่าแถบนี่นะหลายวัดนะที่นั่นนะทอลไปปั๊บเนี่ยก็าถามว่ามากี่วันถ้ามา3วัน5วัน7วันก็ไม่ได้สนใจเลย <c oughs> ต้องไปอยู่กัเขา7ปี7ปีพอไปอยู่7ปีปั๊บเนี่ยมาปฏิบัติเจปี นอนเขาห้องเลยไปอยู่ในห้องเลยใส่กุญแจล็อกขังเลยอยู่ในนั้นนะเจ็ดปีเลยส่งข้าวส่งน้ำมันคนติดคุกเลยลงมือปฏิบัติลงไปโยกมือลงไปเดินโยกรมลงไปเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องรู้จริงครูบาอาจารย์ที่ใส่ใจแสดงว่าต้องชำนาญอารมณ์ปฏิบัติรองลอยปฏิบัติของนักปฏิบัติกรรมฐานซึ่งถ้าอยู่อย่างะี้ติดอารมณ์ตาย ว่าทุกคนก็มีข้างในนะที่มันฟุง้งความคิดลอยบนลอยบากรลอยดีลอยเชื่อออกมาให้เราชดใช้และครัเนี่ยทะลักทะลวงถ้าครูอาจารย์เขาเหมือนว่าให้เราได้เหมือนกับว่าเกิดปัญญาโดยอาศัยสภาวะของข้างในมันสอนตัวเองหรือว่าครูตัวเองสอนตัวเองตรงนี้ก็เรียกว่าสาหัสสาการผสมควรหลายคนก็เข้าใจธรรมะหลายคนก็ เพียนไปเลยก็มีอย่างนีน้แต่ของเรานี้ดูแลกันนะพยายามการพูดการคุยวนนี้อาจารย์สมใจก็ดูอยู่มีการพูดการคุยกันแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยเราก็ตักเตือนกันอย่างนี้เพราะวันนี้อาจารย์สมใจยอยู่กับนันกปฏิบัติก็ให้มาพูดธรรมะต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก่อนนี้เหมือนกันเพราะการบูชาพระรัณฑ์ไตร มันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอากาบกระวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอากาบน้ำสักการหลวงพ่อกรมพระอาจารย์ทรงศิลแล้วก็เพื่อนสาธมิกในที่นี้ทุกท่านขอเจริญพรแม่ชีแล้วก็อุบาสก วาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่ป่าสุกโตแห่งนี้ก็นั่งทำสบายนะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้มาคำนึงถึงคน <c oughs> เ, เราทุกคนเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความสุขนะ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 แล้วทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะมันก็จะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามความอยากหรือความคิดปรุงแต่งนะของเราเคยกินอาหารร้านนี้อร่อยดนะีก็มากินอีกกินไปกินมาเรื่อยๆมันก็ชัเบื่อก็ต้องไปกินร้านใหม่ไปหาอาหารใหม่ๆนะไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะทั้งเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้า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 เครียดมากๆนะทนอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้ขอไปเกิดใหม่ดีกว่านะเมื่อวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเหมือนกันบันดิตอักษรศาสาตร์ปริญญาเกียรตินิยมันดับ2จุลานะไปทำสัญญกรรมแล้วปรากฏว่ามันออกมาไม่สวยอย่างที่อย่างที่คิดเนะพื่อนก็ทักว่าไม่ไม่สวยเลย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 นะ เ, ปเป็นยุป ร, ราดนะเรียกว่าเป็ น, ปนคนที่อยขึ้นเป็นกษัตริย์มีสิ่งบำรุงบำเรเ็มทีนะ่ถึงจุดหนึ่งท่านก็รู้สึกเหนื่อยนายเบื่อขึ้นมานะก็เลยอยากสแสวงหาความสุขที่มั น, มนเหนือกว่านั้นนะซึ่งก็ท่านก็ไปสแสวงหานะก็ไปพบความสุขชนิดหนึ่งนะก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุนะแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้น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 อาศัยว่าสิ่งไหนชอบนะเราก็ทำเราก็ทให้มันมากมากอันไหนที่ทำให้เราพอใจเราก็พยายามทำให้มันมากมากเร า, าก็ดึงเข้ามานะอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ผลักมันออกไปนะใจมันก็เลยไม่เป็นปกตินะใจมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะเดี๋ยวดีดวนะเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเราแต่เราไม่ได้สังเกต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 หรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองซึ่งธรรมชาติก็ให้มาอยู่แล้ว่นะเพียงแต่ว่าเราก็มาพัฒนา่นะให้มันรู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพนะระาะฉะนั้นที่เรามาอยู่กันณนะที่นี้เนี่ยถือว่าเรามาเรียนรู้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตานะเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะที่มีอยู่ในตัวเรา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 นั่งหลับตาไม่ต้องคิดอะไรนะนั่งนิ่งนิ่งเย็นสบายสบายนะอันนั้นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะเป็นความสุขอย่างพวกลือสีซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะนิ่งๆ่งไม่รับรู้อะไรเลยนะซึ่งในประเทศไทยเราก็นิยมกันนะเป็นส่วนใหญ่แล้วคนที่มาป่าสุขกโตหลายหลคนเนี่ยก็คิดว่ามาแ ล, แล้วมันน่าจะได้อย่างนั้นนะ คิดว่ามาแล้วก็มานั่งนิ่งๆสงบสงบสบายใจไม่ต้องคิดอะไรนะนะ่พอมาถึงจริงจริงมาฝึกแล้วโอ้โหทำไมมันคิดเยอะเหลือเกินนะยิ่งไม่ให้หลับตาอย่างเงี้ยโอ้ลืมต า, าีแล้วมันจะเป็นมันจะสงบได้อย่างไงเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะติดข้องอยู่ในใจหรืออาจจะมีความสงสัยนะเออตัวผมเนืตามาเองได้อ่านหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณยุทธ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 เราก็ที่เราทำกันเนี่ยนะก็คือการเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะนะโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิธีทำที่ง่ายที่สุดเท่าที่เท่าที่ตัวผูมิวิตามาได้เคยเรียนรู้มาเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราแล้วเราเจตนาที่จะทาขึ้นมาแต่ก่อนไปฝึกอานาปนาสติใช้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี่มันเป็นเอง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 หือเคยดูภาพยนตร์มันจะมีภาพยนต์บางเรื่องเนี่ยมิตาที่สานะตาที่3ก็คืออันนี้นี่เองนะบางทีเขาเรียกตาทิย์ก็ได้ตาวิเศษก็ได้นะเป็นตาที่จะเข้าไปดูความคิดเข้าไปดูอารมณ์ทีนี้การการพัฒนาตรงนี้เนี่ยเราพัฒนาจากการเคลื่อนไหวคือมีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆทํำบ่อยๆทาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มันต่อเนื่อง นะโดยเฉพาะต่อเนื่องให้เป็นลูกโซ่หลวงพ่เทียนเคยพูดไว้ว่าถ้าผู้ใดทําให้มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะภายในสมปีอย่างช้านะอย่างกลางภายใน1ปีอย่างเร็วตั้งแต่หนึ่งวันถึง90วันเนี่ยความทุกข์จะลดลงท่านทาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่กันเจวันก็ดีสวันก็ดีเนี่ยนะ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 และเป็นของที่เราจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความแยบคายพอสมควรมันไม่ใช่เป็นของที่จะทํากันได้ง่ายๆในลักษณะของการที่พูดคุยกันนะมันจะต้องเกิดจากการที่เราทาและสัมผัสขึ้นมาเมื่อเราทํากายความรู้สึกตัวกายให้ชัดถามว่าความรู้สึกตัวที่กายเป็นอย่างไรในขณะที่เรานั่งเนี่ยเรารู้สึกใช่รู้สึก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 ความคิดที่มีสารพัดเรื่องสารพัดเรามันจะแสดงตัวจริงๆมันแสดงตัวของมันอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เพียงแต่ว่าสติของเรายังไม่คมชัดพอเราจึงไม่เห็นถ้าเราคมชัดพอเราจะเห็นแล้วที่เราทําแล้วมันฟุ้งซ่านน่ะมันเริ่มที่จะเราเริ่มที่จะเห็นมันเพราะฉะนั้นคนที่ทำแล้วฟุ้งซ่านไม่ใช่ผิดนะนั่นนะ่ะเข้ามาแสดงให้เราดูแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะไม่จมปอยู่ความฟาุ้งซ่าน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 ที่วัดป่าสิก โ, โตจะไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องนี้นะพิธีรีตองอะไรแล้วก็ไม่ก็มีอะไรมากมายนะเพราะนั้นคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยจะสาวันเจวันหรือว่ากี่วันก็ตามทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเอกเป็นเรื่องสำคัญเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองนะก็คือการเจริญสติการกลับมารู้สึกตัวนะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำให้เราสามารถที่สัมผัสกับความสุขที่เป็นปกติเมื่อเรามีความสุขที่เป็นปกติแล้วนะชีวิตของเราก็จะเป็นปกตินะแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขอะไรที่ที่ที่เคยวิ่งไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่กินไม่อะไรนะก็กินตามปกติแหละแต่จะกินพอดีอยู่พอดีใช้พอดีมีเหลือก็เจือรจานให้คนอื่น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 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอให้กับพวกเราที่มาใช้ชีวิตอ ย, อยู่ที่วัดป่าสุกตะตัวงนี้ก็พูดมากว้างความโดยสมควร น, ะนรู้สึกไม่ได้เจาะจงลงไปในที่การปฏิบัติเท่าไหร่นะแต่ก็อยากจะเน้นตรงที่การปฏิบัติเนี่ยที่พูอย่างนี้เพราะว่าเห็นคนใหม่มากันเยอะและบางคนอาจจะยังสงสัยลังเลอยู่ว่า